สมัยนะั้นมีดาบดอยู่ในป่าไปไปบาเพ็ญอยู่ในป่าพออยู่นานมาก็เนะี่ยอยากจะทานอาหารที่มีรสเค็มเพราะเกลืออยู่ในป่าไม่มีนะยนะพวกฤาษีทั้งหลายอยากจะทานอาหารรสเค็มนะรสเผ็ดรสเค็มก็เลยเข้ามาสู่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 การที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติให้พอกพูนเพิ่มพูนขึ้นมาการที่จะไม่พูดป่ยการที่ไม่พูดปดต่อใครนี่คงเป็นไปไม่ได้มันต้องพูดปดแล้วก็ลูกน้องที่เป็นบริวารถ้าเขาทำผิดแล้วไม่ลงโทษเขาก็คงเป็นไปไม่ได้อีกาในสุดมันจะต้องทำความทำให้ใจของเราเนี่ย กับเพิ่มทำให้ใจของเรามีความทุกข์ใจของเราจะหวั่นไหวไกวแกว่งอยู่ตลอดมันหาความสุขไม่ได้เพราะนั้นอาตมามองดูแล้วเนะี่ยความสุขเป็นคราวาดเนี่ความสุขที่เป็นพระเนี่ยเป็นลือสีเนี่ยมันคนละแนวกันเพราะนั้นอาตมาไม่ไม่รับนะไม่รับที่ท่านจะยินดีแบ่งให้อาตมาก็ยินดีแต่ไม่รับส่งคืน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 พอใจไม่พอใจเหลียวเข้ากับพูดทำให้ร้อนหูร้อนใจจากนั้นก็แก่งแย่งกัน เ, เรื่องทรัพย์สมบัติมีมากมายเมื่อทำความไม่ดีแล้วจะไม่ดุด่าว่ากก่าไม่ลงโทษลูกน้องก็เป็นไปไม่ได้การทำมาค้าขายจะพูดตรงๆไม่พูดปลดเชเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วจะเป็นมลทินสาหรับ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 สรุปแล้วก็คือจะทํำยังไงในหลักของพุทธศาสนาพราะพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ที่บำเพินมาสี่อสงไขยกาไรแสนมหากัปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่มาเกิดอีกแล้วเราตัดกรำล้อ ก, กงเกวียนใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราหมดจดจากกิเลสแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วอันนี้ก็คือพระองค์เมื่อได้ตัดรู้แล้วท่านกับ แนะนำสั่งสอนเวในสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีแต่ในการเกิดนะอย่ายินดีในการเป็นอยู่นะอันนี้มันทะเลเพลิงชัดๆนะมันไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนนะทุกนะเกิดมาแล้วให้พวกท่านทั้งหลายสอบแสวงหาทางพ้นทุกนะอะไรคือทางพ้นทุกนี่เราได้ไปศึกษาไปค้นคว้าดูแล้ว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 วันสองวันข้างหน้าเนี่ยอยากจะเตือนพวกพระทุกองคผ้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าไปโต๊ะโตเตะเ ต, ตถ้าเป็นของผ้าก็ให้ของผ้าถ้าจะมาที่ศาลาก็อ ย, อยู่ในความสงบนีอย่าไปแบบเทเลอทาล่าเห็นคู่คนมาแล้วไม่มีมารายาทเสลยไม่ได้นะผ้าเก่าช่วยชยดูช่วยชบอกนะช่วยบอ ก, นะบอกเตือนผ้าให ม, ม่เรานี่ไม่ใช่เราเป็นคราวญวัดนะเราเป็นพระ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 ถามาขวางหมูมันก็น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนีมันขวางไปขวางมากันลระวังกันแล้วกันเพอหลวงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อไม่ให้ขวางนะเนีใครมาขวางไม่ได้เต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยดยการทั้งหมดเอามาเพื่อการศึกษาทุกคนเพื่อการศึกษาจะทํำยังไงต้องเป็นศีลเป็นธรรมภายในช่วยๆกันคิดนะ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 ถ้าศึกษาและกันนะัปฏิบัติตามนั้นมีแต่ความผาสุขหาความทุกไม่ได้ล่ะคนที่เดินถูกทางเดินตามมักตามผลนะ่ะแต่เดินผิดที่ผิดทางออกนอกลูกนอกทางดังนั้นนะดันทุลังไปเรื่อยนะมีแต่ความหายนะจะเข้ามาสูดท่านองนั้นคนคนนั้นจะหาความผาสุขไม่ได้ในหะ้ขอให้พวกเราตั้งใจนะเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะ่นตื่นนะ